ของการเป็นคนขี้เล่าเมายา 1. ทุกทางใจงจิตที่เป็นปกติสุขไม่อาจคิดบั่นทอนสติของตนเองด้วยสิ่งใดๆการจะดื่มเหล้าหรือเสพยาที่มีผลข้างเคียงร้ายแรงได้ต้องใช้จิตที่เป็นทุกเท่านั้นเพราะคนเราจะรู้สึกดีที่สุดก็ต่อเมื่อมีสติเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์ แม้แต่การจิบเหล้าเพียงน้อยกลิ่นและรสของมันก็อาจมีมนย้อมใจให้นึกครึ้มคิดอ่านผู้จาแปลกประหลาดไปกว่าตัวตนเดิมๆได้แล้วการถูกรบกวนโดยคนไร้สติสัมปชัญญะเป็นความทุกข์ของผู้ถูกรบกวนถ้าเราเป็นคนรบกวนเขาอย่างไร้สติสัมปชัญญะใจของเราจะเป็นสุขได้อย่างไรการสังเกตเข้ามาในตนเองจะทำใหเห็นทุกข์เป็นขณะขณะอย่างชัดเจน ทุเริ่มตนตั้งแต่เมื่ออยากดื่มเหล้าหรือเสพยาสังเกตเข้ามาในตนเองจะรู้สึกถึงความผิดปกติที่ไม่อาจเป็นที่พึ่งให้ตนเองเหมือนใจหอยหาบางสิ่งที่ขาดหายทั้งที่เดิมแล้วกายใจก็เบาอยู่แต่กลับกระเสือกกระสนหาทางทำให้มันหนักอึ้งเสียอย่างนั้นทุกจะทวีตัวขึ้นเมื่อตัดสินใจดื่มเหล้าหรือเสพยาสังเกตเข้ามาในตนเอง จะเห็นอาการทุรนทุรายแบบต้องเอาให้ได้เมื่อไม่ได้ก็จะเป็นจะตายเอาทุกจะทวีตัวขึ้นอีกเมื่อพยายามดื่มเหล้าหรือเสพยาสังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นคล้ายเรากำลังกรอกยาลดความสามารถในการคิดอ่านลดสมรรถภาพในการเผชิญปัญหาหรือทำร้ายสุขภาพของตัวเองอยู่ดีๆนั่นเองทุกจทวีตัวขึ้นถึงขีดสุด เมื่อดื่มเหล้าหรือเสพยาแบบไม่บัญญะบัญญังสังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นคล้ายเรากำลังตกอยู่ในห่วงของฝันร้ายเลือนเปือ้อวกวนและในฝันร้ายก็ถูกหลอกว่ากำลังเป็นสุขทั้งที่ท้องไส้กำลังปั่นป่วนร่างกายวิปริตผิดปกติไปทั้งระบบอยู่ชัดๆแค่ทรงตัวให้อยู่นิ่งก็ยากเหลือเกินซะแล้วทุก จะไม่จบโดยง่ายแม้เมื่อสั่งเมาแล้วสังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นเป็นความรู้สึกมึนงงซึมเศร้าบางครั้งก็ปวดหัวตัวร้อนแต่พอร่างกายกลับเป็นปกติก็อยากสร้างเหตุของความผิดปกติทางกายขึ้นอีกจึงมีแนวโน้มจะดื่มมากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งติดเหล้าอย่างที่เราเรียกว่าเป็นโรคพิษสุราหรือรรงนั่นเองก็ให้เกิดอาการทางกายต่างๆเช่นเสียงแห้ง มือสั่นความจําเสื่อมฝงสั้นจัดชุนเฉียวง่ายขี่ระแวงอย่างไร้เหตุผลใช้ความรุนแรงโดยขาดสติที่สุดก็เป็นโรคตับแข็งมีสิทธิตายทรมานกล่าวโดยสรุปคือเป็นทุกได้กับทั้งตนเองและสังคมรอบข้างครบวงจรในทางปฏิบัติแล้วขี้เมาส่วนใหญ่มีชีวิตที่เคร่งเครียดเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะอยากสนุกสนาน แต่อยากลืมความจริงแต่หากอยากหนีโลกของความจริงไปอยู่ในโลกของความฝันมากกว่าซึ่งเราอยา ก, ก็ปรากฏตัวเป็นทางลัดที่หาง่ายกว่าอย่างอื่นและเมื่อเดินอยู่บนทางลัดนั้นแล้วก็ยากมากที่จะเห็นว่าตนเองกำลังเดินลาดลงต่ำไปทุกที 2. การสั่งสมบาปเมื่อทราบแล้วว่าความมืดเป็นเครื่องหมายของบาป เราก็สามารถสำรวจใจตนเองแล้วทราบได้ว่าการดื่มเหล้าและเมายาเป็นบาปเพราะไม่มีการเมาครั้งใดที่ทำให้จิตใจของเราสว่างขึ้นมีแต่จะหมวนหมองลงกับทั้งไม่มีกระใจคิดจะทำอะไรในทางดีในทางที่จเจริญเอาซะเลยแรงผลักดันให้เมาเหล้ายาได้คือโลภะโลภะต้องชนะความอยากมีสติจงขับให้เราดื่มหรือเสพจนขาดสติ สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดโลภะก็มิใช่อะไรอื่นเราเห็นกันจนเจนตาว่าในงานรื่นเริงต้องมีเหล้ายาประกอบดื่มหรือเสพแล้วลืมทุกหัวเราะง่ายเคลิ้มสำราญเหมือนฝันยวนใจหลายครั้งอาจถูกพวกมากลากไปถ้าไม่ยอมร่วมดื่มไม่ยอมร่วมเสพก็ไม่นับเป็นกวนเดียวกันทำงานหรือคบหากันไม่ได้สนิทสนมเป็นต้นที่น่ากลัวก็คือ บาปสามารถสั่งสมตัวได้นั่นหมายความว่ายิ่งดื่มเหล้ามากขึ้นเท่าไหร่สติก็ยิ่งพลาเหลือนมากขึ้นเท่านั้นมองไปทางไหนเหมือนไม่ใช่ความจริงกลายเป็นความฝันฉากหนึ่งไปซะหมดตราบใดที่ไม่เมาตราบนั้นไม่มีฉากฝันที่ตนชอบถ้าคิดว่ารู้จักตัวเองดีแล้วก็อย่าเพิ่งนึกว่ารู้จักความเมาของตนเองด้วยเพราะความเมาจะย้อมใจเรา เลียนไปเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนเป็นคนละคนอาจพูดหรืออาจทำอะไรที่เหลือเชื่อว่าจะพูดหรือทำได้แม้อาปากดื่มเหล้าด้วยความคิดอยากลองปากของเราก็ได้ชื่อว่าเป็นประตูพาผีเข้ามาสิงแล้วยิงเข้ามาบ่อยยิงเข้ามามากเท่าไหร่เราก็เสียความเป็นเราให้กับผีสุรามากขึ้นเท่านั้นความคิดในทางพึ่งพาเหล้ายาจะลดความฉลาดในการพึ่งพาตัวเองลง ทังที่ฝึกสติเพื่อเป็นที่เกาะที่พึ่งของตัวเองก็ได้ฝึกสติเพื่อเป็นความบันเทิงให้ตนเองก็ได้แต่เพราะไม่รู้วิธีฝึกคนส่วนใหญ่จึงเลือกหาที่พึ่งหาเครื่องทําความบันเทิงให้กับตนเองแบบง่ายๆฉะนั้นเพียงไม่ตั้งใจไว้ก่อนว่าจะเว้นขาดจากการดื่มเหล้าก็นับว่ามีโทษแล้วเพราะเมื่อถูกกระตุ้นให้เกิดโลภะอย่างแรงกล้าความอยากมีสติ ต้นลดระดับลงแทบไม่เหลือยังผลให้สติพร่าเลือนลงเปิดช่องให้โลภะเข้าครอบงำจนโง่เขลาหลงนึกว่าบาปแห่งการร่ำสุรายาเมาเป็นสิ่งสมควรทายิ่งกว่าบุญแห่งการเพียรฝึกสติให้เจริญขึ้น 3. ความเป็นอยู่ที่เลวร้ายไม่มีความฟุ้งซ่าน ร, รำคาญใจอันใดย่ำยาไป ก, กว่าความฟุ้งซ่าน ร, ราคาญใจ อังเกิดจากการเป็นคนขี้เล่าเพราะบาปข้ออื่นยังทำลงด้วยมิจฉาสติกันได้เช่นเราอาจใช้ศิลปะและไหวพลิบเชิงดาบชั้นสูงในการฆ่าฟันคู่ต่อสู้เราอาจร้นธนาคารด้วยความรู้ความสามารถเกินธรรมดาเราอาจใช้อํานาจเสน่ห์สะกดให้คนมีเจ้าของมาปลีกกายให้เราอาจลวงโลกด้วยแผนการอันแยบยนตแต่ถ้าต้องเมาหมายเพราะเล่า เราจะไม่มีทางคงสติและความสามารถแบบเดิมๆไว้ได้เลยคำว่าเมาจะไม่อยู่คู่กับคำว่าสติอย่างเด็ดขาดเมื่อบาดจากการเมาเหล้าถูกสังสมมากแล้วคนเมาเหล้าย่อมเลือนฐานะเป็นคนขี้เมาดูเผลอๆเหมือนยังไม่ได้ทําผิดอะไรไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแต่แท้ที่จริงแล้วความเมาก็คือการขาดสติการขาดสติ ก็คือต้นเหตุของบาปอันร้ายกาจได้ทุกข้อเฉพาะในประเทศไทยเองร้อยละ 65.4 ของคนที่เข้าไปอยู่ในคุกนั้นก็มีน้ำเหล้านี่เองเป็นสายทานพัดพาเข้าไปนะการเมาเหล้ายาแต่ละครั้งไม่ได้บั่นทอนเฉพาะสติในบัดนั้นแต่ยังส่งผลกับสติโดยรวมทั้งชีวิตกล่าวคือ เราจะฟุ้งซ่านมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นผลให้ความสามารถรับรู้ความจริงเฉพาะหน้าลดหย่อนลงเรื่อยๆเช่นกันอาการคิดเองเออเองชุนเฉียวเองจะค่อยๆทวีตัวขึ้นตามเวลาที่สั่งสมพิษแอลกอฮอล์ไว้ในร่างและกลับคืนดีได้ยากยิ่งจิตของคนขี้เหล้าย่อมมีความกระเจิดกระเจิงประดุดปีศาจที่พร้อมจะวิ่งพล่านไปอย่างไร้จุดหมายปลายทางฉะนั้น แม้มีวาสนาได้เกิดเป็นมนุษย์อีกก็มีแนวนองว่าจะคลุ้มคลั่งเป็นบ้าได้ไม่ยากนี่สะท้อนให้เห็นว่ากรรมแบบคนบ้าย่อมถางทางไปสู่ความเป็นคนบ้าในการเกิดครั้งต่อไปหรือดีไม่ดีก็อาจเห็นทันตาในชาติปัจจุบันที่เป็นคนขี้เล้านี่เองหากตายยี่ยงคนขี้เล่าเมายาผู้อย่างไม่อิ่มไม่พอกับน้ำเมาแต่ยังพอมีบุญพยุงเอาไว้ไม่ให้ร่วงหล่นถึงนรก ก็อาจไปเสววพบของผูกร้ายสติในระดับเดรจฉานภูมิเช่นตัวต่อที่ทำร้ายคนและสัตว์อื่นได้โดยไม่ต้องถูกราวีก่อนเป็นต้นตะหากตายยิ่งคนขี้เล่าเมายาที่เพลิดสติก่อครีอายาไว้มากก็จัดว่ามีความเหมาะกับสภาพความเป็นอยู่ที่ถูกทำร้ายให้ร้องหวยหัวครวนครางเป็นนิร ด, ดังเช่นนรกภูมิสถานเดียว